แล้วก็ถวายท่านจานนั้นก็มีขันคลวะพอครวะหลวงปู่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปครวะพระพระบรมสารีริกธาตุบนเจดีย์ของท่านเนมื่อไปครวะพระเจดีย์ของหลวงปู่เสร็จแล้วเราก็ไปเจดีย์ของคุณแม่ชี้แก้วเอ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 แล้วก็จะได้เห็นหนานาทัศนะนานาความเห็นแต่และครูบาอาจารย์ดีทั้งนั้นแหะถ้าเราไปสังเกตถ้าไปแบบซื่อบืดชาวบ้านาไปสักแต่ว่าไปเฉยๆไปเลยกัเวลาเข้าไปกับเพียงจะนั่งคุยกันไปที่ไหนก็ยางเก่านั่นแหะพอไปไม่ได้สังเกตไปไม่ได้ตั้งใจฟังไปไม่ได้เรียนรู้ ในเรื่องที่เราไปนั้นๆฝากไว้กับพวกพระทุกองด้วยเวลาจะไปที่ไหนต้องดูหัวหน้าหัวหน้าพาไปที่ไหนไม่ใช่ว่าไปถึงวันแล้วก็แตกกระจุยกระจายกันเวลาจะขึ้นรถนะนะต้องเรียกค้ากันไม่รู้ไปไหนถ้าองค์ไหนจะไปห้องน้ำก็ บ, บอกกันผมขอไปห้องน้ำบอกกูบายจานด้วยนะกรรีบไปกรรีบออก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 ส่งอนุโมทนาให้พร